ตามฟังเรื่องต่อไปจากสายของคุณกบนะครับคุณกบมาพร้อมกับประสบการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นร่วมกับเพื่อนร่วมงานครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลังสินค้าแห่งหนึ่งก็แล้วกันใช้ชื่อเรื่องว่าคาตาคาใจเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6อ่ะสายที่5ของเราในค่าคืนวันนี้กับสายของคุณกบครับสวัสดีครับคุณกบ ครัสวัสดีครับพี่แจงครับผมเดี๋ยวคุณกบช่วยผมเสียงดังกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับผมแลครับโอเคเสียงประมาณนี้กําลังดีครับคุณกบตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนอ่าแถวอบางบ่อพี่อยู่แถวบางบ่อครับนะฮะอันนี้เป็นการคุยกันครั้งแรกระหว่างเราหรือเปล่าคุณกบครับถูกต้องครับนะฮะไม่ตื่นเต้นเนาะก็ไม่เท่าไหร่พีเออฟังน้ําเสียงนิ่งๆอ่ะสบายๆเลยนะคุณกบนะ ครับผมนะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในคลังสินค้าแห่งหนึงผมไม่ค่อยได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับคลังสินค้านะครับคลังสินค้าที่ว่านี้เนี่ยอยู่ในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดอ่า อ, อยู่แถวตาว่างกันไหมครับอยู่อำเภอบางปะกงครับอยู่ที่บางปะกงเอาเป็นเท่านี้ก็พอนะครับผมนะครับมาว่ามาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้นไปเจออะไรมาคุณกบเชิญเลยครับอ่าเคย ผมเมื่อวันปีห้าสามครับผมได้เข้าไปสมัครงานร่วมงานกับบอกบอกบอกได้ไหมพี่ว่าเอา่อที่ครั้งที่ผมไปสมัครงานเป็นของของประเทศอะไรพี่<อ>กว้างกวาง้างกว้างได้ฮะได้ฮะเออมันเป็นครั้งสินค้าของประเทศเกาหลีพี่ครับคือว่านายนายเป็นคนเกาหลีหมดอืมอืมอมก็ผมเลยทาตั้งแต่เริ่ม เปิดบริษัทเลยครับก็ผู้จัดการทางเกาหลีฮะชื่อว่าคุณคิมครับอ่าก็จเป็นประจำสาขาของประเทศไทยครับคือผมว่าคุณคิมเนี่ยจะสนิทกันถือว่ามากกว่าบุคคลอื่นในประเทศแล้วคือว่าคุณคิมเนี่ยจกก็ยังรุ่นราวขอย่อผมมาประมาณถามติดกว่า ก็ในคังก็มันเป็นสินค้านําเข้าไม่มีผลิตในไทยครับเป็นนำ้ำเข้ามาจากเกาหลีทั้งหมดครับเราต้องบอกนะครับว่าที่ทาสินค้าที่ว่าที่ที่ทําเนี่ยอืมอฟฟิศจะอยู่ชั้นสองแล้วก็คนเคยทําทางสินค้าครั บ, ค, รบคือว่าออฟฟิศเนี่ยจะมองเห็นภายในคังทั้งหมดอ่าก็คือจะอยู่มุมสูงหน่อยแล้วก็มองลงมาจะเห็นของในคันงเห็นคลังแบบกว้างๆเลย ก็เป็นมุมาแล้วคราวนี้คือว่าทางเกาหลีเนี่ยเขาจะเน้นมากเกี่ยวกับพวกเฟสตี้แล้วก็เกี่ยวกับพวกขโมยสินค้าอะไรเงี้ ย, ยคือทางออฟฟิศเราเนี่ยจะมีจอทอสั น, นครับจะเป็นกล้องวงจรปิดครับประมาณ5้าจอครับคือว่าเราเราดูได้ครับว่าที่ ทางที่เกาหลีก็จะมาก็จะนั้งยินเราเทียมมาถึางกันครับแล้วคุณชิมเนี่ยเขาก็จะคอยแนะนําผมว่าที่เกาหลีเนี่ยที่กลางขึ้นหน้าจอตอนนี้ย ค, คือคนเนี้ภนระรยาเขานะเพื่อนเขาอะไรอย่างนี้ครับอคือกล้องไอ้กล้องยังติดอยู่มันจ ะ, นจะนโยงกันอยู่ที่สามจุดครับคือ ท, ที่เกาหลี ที่มามะคงแล้วก็ที่อพยพใหญ่ที่กรุงเทพครับครับพื้นช่วงปีแรกกับปีที่สองเนี่ยสินค้าตัวเนี้ยขายดีมากเลยครับคุณคิมเนี่ยจะมีผลงานมากเลยครับคือคือว่าตอนนั้นคือเด่นที่สุดในเอเชียทางตะวันออกนะครับครับแล้วคุณคิมเนี่ยเวลากลับไปเกาหลีเนี่ยไปพักค่อนหรือ ไปอิสุราเรื่องงานเนี่ยเวลาเกินดินจนัดมาเนี่ยจะจะให้ผมไปรับที่สนามบินโดยตลอดเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆไม่ได้ไกลมากครับวันนะพูมแล้วก็มีผมที่เป็นพนักงานตอนนั้นผมมีหน้าที่ถือว่าจะเป็นเหมือนหัวหน้าครับ <ทะ S 2> คือคือถือกุญแจค้ังเช็คเช็คเช็คตู้สินค้าที่มาจากเกาหลีร <ทะ S 2> ครับเช็ค แล้วก็เช็คสินค้าทั้งหมดแล้วก็จะมีผู่ปฏิบัผมมีหนึ่งคนชื่อชื่อชื่อโจครับโจเนี่ยเขาจะเป็นคนขับรถลิอื์เข้าไปตักงานในในที่ขอเขเนอนะครับครับออกมาแล้วให้ผมนับแล้วมาเข้าปีที่สามครับคือว่าสินค้าเราเนี่ยมันมันประสบกับข อ, กของมันก๊อปปี้ออกมาเยอะครับทำนายอดขายมันตกนวบลงไปเลยครับ ทำใหคุณชินเนี่ยก็เลยเครียดเครียดมาครับเครียดแบบว่ากินเหล้าเหมาทุกวันเนี่ยครับแล้วมีมาวันนึงเนี่ยจะชวนผมไปกินเหล้าคือคุณชินนี่ไป็คือผูดเป็นไทยนะครับคือ ค, คุยกับผมเนี่ยจะเป็นภาษามืองภาษาอังกฤษแต่ส่วนมากชวนไปกินเหล้าผมโดยส่วนตัวผมไม่ดื่มนะครับคุณชิมบอกว่าอยู่ๆก็พูดขึ้นมาว่า พูดมาผมทักครั้งเออเพื่อเพื่ออะไรคือคือว่าจะเผื่อผุมันไม่ได้ไม่ได้กินด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพูดผมก็อุย้ยคุณชินนะพูดอย่างนั้นนะครับ<ค>แกบอกอ๋อบาลที่ผมพูดเนี่ยคือว่าเดี๋ยวผมเนี่ยสองพันวันเนี่ยผมต้องบินกลับออืเกาหลีด่วนเพราะว่านายใหญ่ทางโู้นน่ะเรียกตัวผมครับถ้าคุณไม่รู้เรื่องหรือว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยผมอาจจะโดน เขาดึงกลับไปอยู่ที่ออฟฟิศ ท, ที่นู่นก็เลยอาจจะไม่ได้กินด้วยกันออืมอมผมก็เลยสบายใจที่มันหายแล้วก็ถึงวันที่แกรินกลับไปครับอแกรินกลับไปผมก็เห็นแกในกล้องจอปิดนะครั บ, รบแล้วแกเนี่ยโทรมาบอกผมว่าเออคือว่าแกไม่ได้โดนย้ายนัยนโดนเรียกลับนะออืแต่ทางเกาหลีตอนนี้ยจะมี สินค้าชุดใหม่เลยที่ว่ายังไม่เคยวางขายที่ไหนะจะส่งเข้ามาขายในประเทศไทยอคุณคิมก็บอกว่าถ้าเกิดว่าสินค้าตัวเนี้ยถ้ายังโดนก๊อปปี้อยู่หรือทุกขายไม่ออกเนี่ยเขาก็อาจจะต้องต้องกลับประเทศครับออืคือว่าโดนคือว่าจะคือว่้งถูก<ะ>หรือแม้แตย้ายประเทศซึ่งซึ่งช่วงช่วงปีหลังเนี่ยครับปีที่สามเนี่ยคุณคิมเนี่ยประสบปัญหาอื ทาการเงินด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างครับปัญหาชีวิตกแกจะเล่เอาให้ฟังนะครับแล้วแกบอกว่าวันเนี้ยเดี๋ยวแกจะคอยเช็คว่างเช็คสินค้านะครับเข้าตู้แล้วแกจะกลับมาพร้อมวันที่ว่าตู้ถึงประเทศไทยครับตู้สินค้ายที่นู่นอ่ะจะมาถึงประเทศไทยประมาณสอวันครับครับก็ ค, คุณชิงก็จะ จะกลับมาแต่ว่าจะมาให้พร้อมกันครับเพราะว่าคนเปิดตู้เนี่ยคือว่ามั น, ม, นมันพีการผมไม่รอดเพราพี่เคยเห็นไอซีนล็อกซ <c oughs> ีนล็อกเนี่ยแล้วมันจะมีกุญแจผมส่งไปในอินบ็อกอะะมันจะเป็นกุญแจแล้วแม่กุญแจใช้แม่กุญแจครับ แ, แ, แต่แล้วต้องใช้รหัส <c oughs> ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าคุณคิมเนี่ยจะรู้รหัสคนเดียวอหางส <c oughs> <ๆ>ินค้าที่ชี่บางกงเนี่ยคุณคิมจะรู้คนเดียว <c oughs> ก็คือแกบอกแกเพราะว่าเนี่ยมันเป็นตู้<ม>ตู้ที่ว่าต้องติดเครื่องปรับอากาศครับต้องใช้ความเย็นมากครับครเพราะมัน<ถ>เป็นตู้ไม้แล้วมันเป็นสินค้าเกี่ยวกับพวกอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้ครับก็วันที่เขาโหลดสินค้าอยู่เนี่ยผมก็ก็ดูดูในในกล้องนิ่คุณดาวเทียม น, นะครับก็<ถ>เห็นว่าคุณคิมเนี่ยเขาคอยเช็ค<ม>เดินไปเดินมาผ่านอยู่หน้าประตูโหลดสินค้าอยู่ตลอดครับ<ถ>ก็แล้วคันนี้ พอดีวันนั้นมันมันมั น, ม น, มนดึกแล้วคค่อนข้างจะประมาณสี่ทุ่มแล้วอืมผมก็เลยกลับบ้านไม่ได้คิดอะไรเห็นว่าเอาคุณชิมเขาคงถลงไปเช็คด้วยตัวเองอืเช้ามาถึงก็ผมก็มามาที่คลังนะครับผมก็มาเปิดดูเปิดดูอันเนี้ยเปิดไฟเปิดอะไรอย่างเงี้ยครับปกติของผมแล้วผมไปมองที่กล้องจรปิดเนี่ยมันมีกล้องสองตัวครับที่อยู่ที่เกาหลีเนี่ยมัน มันมันแปลกไปจากเดิมครับจากปกติคือว่ามันรักษณีกล้องจอนติดที่จับเนี่ยมันแขวนขึ้นไปบนหลังคาครับปกติมันต้องแบบให้เห็นดีเทลรายละเอียดต่างๆแต่เนี่ยคือมันมันแขวนขึ้นไปข้างบนใช่คนระับมันแนขวนออออขึ้นไปข้างบนเลยแล้วผมก็อไม่ได้คิดว่าคงว่าแม่บ้านแล้วทางนู้นเล้วคงจะอาจจะไปโดนปัดจากย่า ไ, ไปโดนหรืออะไรนี้ครัม แล้วนี้มาพรุ่งนี้อีกอีกวันเลยว่าพรุ่งนี้จะตู้จะมาถึงแนะครับครับแต่ว่าคุณชิมเนี่ยไม่โทรมาหาผมว่าออืแต่จะมาลงไฟเนี่ยกี่โมงถึงให้ให้ผมไปรอรับนะครับแต่ไม่ได้โทรมาเลยออืแล้วผมก็ไม่ได้โทรหาแกผมคงคิดว่าแกคงจะ ทิดธุราหรือว่างานด่วนอยู่ทางโน้นก็คงคิดว่าเดี๋ยวแกมาถึงคงจะโทรบอกเอืมเพราะว่าแกไม่เคยไปไหนมาไหนคนเดียวในประเทศไทยครับครับแล้วพอถึงวันที่ตู้มาตู้มาถึงประมาณสองทุ่มนะครับที่คลังหนังช้าผมก็จะแต่คนเป็นคนไปรับอเอ่าะว่าต้องมาเซ็นเอกสารให้คนขับรถคนขับรถเขาก็จะถอดช่วงตู้อะไครับ แล้วเขาก็จะกลับเป็นในกระตายเขาก็กลับไปเลยก็ะจะเหลือผมกับโจต้องบอกก่อนนะว่าโจกับคุณทิมเนี่ยโจเขาจะเป็นคนน่สัยที่ค่อนข้างขี้น้อยใจ<ะ>ผมได้เลื่อนขั้นเป็นซ<ะ>ูเปอร์ไบเฟอร์โจเขาก็น้อยใจคุณทิม<ะ>ว่าคุณทิมลำเอเียง<ะ>ออไรเนี้ยครั<ะ>แล้วเขาจะทะเลาะกันบ่อยเ<ะ>พราะว่าโจเนี่ยจะโดนเรียกเขา้าซิทบอยเรื่อง โจจะอ่าแต่อันนี้ไม่ขอแนะนำนะ<ม>คือจะสูบบุหรีในทางหิ้งค้าซึ่งมันอันตารายแลรงมากถ <c oughs> ้าเกิดไฟไหม้อะไรเป็นไงนะครับ <c oughs> คุณทิมก็ยังไม่มามผมก็ผมวก็อยู่กับโจคือว่าจะต้องรอเปิดตู <c oughs> ้เพเพราะต้องรอโหลดสินค้าเข้าไปเต็มในห้องเย็นนะครับเ <c oughs> พราะข้างในทางสินค้าจะมีห้องเย็นอยู่ย <c oughs> ก็ไม่เห็นคุณทิมกะดีจนเกือบสี่ทุ่มผม ถามว่าถ้าเกิดว <Pope> uh ่าหลังเยียมสี <aring> <the> ่ท like ุ <wall Ellen> ่มเนี่ยคุณชิมไม่มาเนี่ยก็คือคงต้องรอพรุ่งนี้แล้วล่ะก็คือเปิดวอมเครื่องทําวานเย็นเลยก็คุยกับโจโจบอกนู่นชี้ไปบนกระปิจนุนคิงชินมาแล้วอ๋อ้าผมก็เออแล้วทำไมผมก็เลยนินจายนิงจายแล้วครับคือว่าทําไมคุณชิมมาตอนไหนแล้วทําไมไม่โทรมาบอกเพราะปกติเราต้องเป็นคนไปรับ อืมถูกป่งครับครับโจมันก็แซวผมว่าเฮ้ยทําไมไม่ไปรับลูกพี่วะอเงี้ยครับปล่อยลูกพี่มาเองได้ไงเนี่ยก็ไม่ไคยคิดอะไรครับก็จนไปเรียกคุณชินมาลงมาให้ให้เพื่อจะขอรหัสเนี่ยเปิดตู้ครับก็คุณชิมก็ลงมาผมก็คาถามแรกผมก็ถามเลยว่าคุณชิมแล้วทําไมคุณคุณชินมาตอนไหนครับทําไมไม่โทรบอกไม่เห็นโทรบอกเลยอืม คุณคิมบอกว่าแกมาเทสซี่ครับแกไม่อยากรบกวนแกพูดพูดใช่นะครับซึ่งมันผิดปกติจากคุณคิมคนเดิมมากครับคุณคิมคนเดิมเขาจะคนหยอกล้อไงผมมาครับอา้าวคราวนี้ถึงแต่ก็ใ ห, ห้รหัสผมมาแต่วให้รหัสผมเปิดตู้มาครับปึ๊บแล้วแต่ก็บอกผมมาคำหนึ่งซึ่งเป็นคําที่ว่าจะบอกว่าจะยื่นโทรศัพท์แกนะครับ ให้ผมแล้วก็บอกบอกอาหารหัสเปิดตู้แล้วก็บอกว่าทุกอย่างอยู่ในโทรอยู่ในนี้อะไรอย่างงี้ครับทุกอย่างนะอยู่ในในโทรศัพท์ปุ๊บอัออี้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรเท่าคือว่าคงจะเป็นาหารหัสเดียวเอกสารอะไรครั บ, รบที่อยู่ในโทรศัพนะท์แจ้งซึ่งปกติก็เคยหยิบมาเล่นอะไรงันอันนี้ผมก็ไปเปิดตู้วิต้องมาเปิดตู้ดึงแจดึงซิลล็อกออกมาแล้วครับครับ วีดไฟทางถึงฐานดับพุทธ ย, ยังไม่ทันเปิดตู้นะครับคือว่าดึงสีนออกมาแ ล, แล้วแล้วก็ปลดสลักแล้วครับอย่าเปิดตู้จะเปิดตู้วอกมาแล้วถ้าพี่แจ๊คไฟในทางถึงฐางนครับมันจะถ้ามันดับแล้วเนี่ยออื ม, มันจะรอมันจะดาวมากงานรประมาณห้าทีครับความมันจะสว่างเต็มที่เหมือนเดิมครั บ, รบผมว่า มันก็มีไฟแค่กับไฟกับกลิกแอโจที่ยังริบหรี่ริบรี่อยู่มันก็มองไม่เห็นชัดอะไรมากอไงวิ่งจาบคนจบลางสายจากแสงที่เราปกติแล้วมันดับพุดไปปุ๊บไฟมันค่อยสว่างเริ่มสว่างเริ่มสว่างขึ้นมาครับคุณคิมไม่อยู่แล้วครับคุณคิมไม่อยู่แล้วแต่ประตูเนี่ยมันเปิดเปิดเปิดเปิดอมาผมผม เปิดดับดึงออกมาหน่อยอย่างเงี้นะครับครับคหมายถึงว่าประตูประตูตู้ประตูตู้ข้างล่างตู้คอนเนเซออือืมคุณชิไม่อยู่ไม่อยู่อยงงานยเลยครับครับอะตัวเาถามอ้ลูกพี่ไปไหนเนี่ยผมก็บอกว่าแต่แต่ตอนนั้นนั่นคือว่าผมไม่ได้อยู่ตรงตรงตรงตรงขายตู้แล้วคือว่าผมเนี่ยคนเดินไปไปทําเด็กเจอครับพอผมเดินกลับมาเนี่ยมันก็ค่องข้างๆไกลไกลอยู่ครับเออ กลับมาโจก็ถามผมว่าออืลูกพี่ไปไหนครับอโจน่ะคิดว่าลูกพี่เนี่ยขึ้นไปออฟฟิศเดินไปพร้อมผมเพราะว่ามันเห็นเหมือว่าคล้ายๆว่าคุณคิมมาเดินไปกับผมตามหลังผมไปแต่ว่าผมบอกผมไปคนเดียวอก็ไม่ได้ชิร์ไหนครัคือคงคิดว่าแะคงขึ้นไปนอนก็ผ่อ น, น, อนครับเพราะว่าออฟฟิศชั้นสองเนี่ยจะมีที่นอนได้ด้วยครั้นี้เปิดตู้ เปิดตู้นะครับใสว่างแล้ ว, <ม>วทุกอย่างปกติเอมอมันจะเป็นผลนิตไม้นะพี่ในรูปในบล็อกมีนที่ผลิตไม้สองสองมันจะเทินมาสองชั้นครับโจมันก็เข้าไปตัดออกมา<อ>ตัดระหว่างที่ตัดออกมานพี่ต้องคุยกับผ ม, มเนี่ยแควเลื่อนทูกพี่นินทาลูกพี่คนระับพอถอยออกมาได้ผมหันไป ไปจะไปเช็กคกันฮะกว่าสิ่งไอ้กล่องนี้นมันมีอะไรบ้างครับผมร้องเฮ้ อ, อย่างดังครับ อ, อเพราะว่ากูชนลูกหินที่หลังตู้ครับครั บ, รบอามันจะคือว่ามันพอตู้ออกมาแ ล, แล้วมันก็จะเป็นเพลทเอาเพลทชุดแรกออกมาแล้วมันก็จะเป็นเพลทต่อไปใช่มเพราะงั้นแต่ไอ้หน้าเพลทที่สองนะครับอืม เป็นคุณคิมอยู่ไหนนังอยู่ยังไงผมอาปากค้างหมอยโจ้ผมตะโกนอย่างดั ง, มมเ ง, งเลยครับไอโจมันก็ผมมันยืนค้งเหรอไอโจเนี่ยมันบอกใค้อะไรอะไรอะไรโจมันก็เลยหมุนๆหมุนฟกไปครบครั บ, รบผมพนฟกฤตกลับมาดูครับมันที่ที่ผมสองคนเห็นครับอืมมันเป็นคุณชิมอือ แต่ว่าตัวเขาเสียวหมดแล้วคือว่ามันผมมองก็รู้รับวครับว่ามันมันไม่ใช่คนนะมันเป็นศพคือหมายถึงว่าเป็นศพคุณคิมอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ศพเฮ้ยศพค่ายืนพี่ทีไอโจเนี่ยก็เลยไอโจเนี่ยถึงขั้นแบบ มันหันมาเสร็จปุ๊บมันเห็นปุ๊บมันตกใจพี่มันขับพกลิ์ชนกำแพงทะลุเออฟองไปเลยพี่ผมตอนนั้นผมยืนงงเลยพี่ครับผมแต่ผมอ่ะตั้งกติได้นะพอจะรู้แล้วว่ามันเป็นืพไปอยู่ๆอะพี่ศพเนี่ยมันล้มมาทางผมโอ้ยศบคือจันริดใจ่พี่มันมันเกี่ยวทั้งตัวแล้วพี่ศพมันล้มมาทางผม หลังจากนั้นผมก็วูบไปเลยที่คือว่าทุกอย่างมันมืดหมดเลยครับมารู้ช่วงนั้นประมาณประมาณห้าทุ่นเองไงคือสิ่งสุดท้ายที่จได้กคือว่าโจเนี่ยขับรถพลุอุ่นแรับแล้วก็คือว่ศพเนี่ยค่อยๆมันค่อยๆจะล้มมาล้มมาหาผมลแล้วผมก็เหมือนสลบไปเลยครับครับมารู้ตัวเินเนี่ยคือว่า ตอนนั้นมีมูลนิธิอะไรมาหมดนะครับ ต, ตำรจตำรวจมาเต็มหมดเลยแล้วคือที่ทจำโทรศัพท์ที่คุณกินบอกนะครับจำได้ที่เขายื่นไว้ให้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนั้น<อ>โทรศัพท์นั้นเครื่องนั้นมันมาอยู่กับตัวผมออืแล้วตอนนั้นผมคือว่า ผมเนโจเนี่ยตอนนั้นเป็นผู้ต้องสงสัยครับอ๋อใช่เพราะปกมันไม่เแน่วะพี่คือว่าต้องต้องบอกก่อนว่าตู้นั้นมันเป็นตู้คอนเดนเซอตัวนั้นมันมีแอร์ทีางความเย็นครับครับคืออันนี้มาทราบายหลังครับคือหลังจากที่คุณตารวจมาแล้วทางมูยพิมาแล้วทางสํานักงานใหญ่มาแล้วที่ทิงเทเจนะครับผู้จัดการเขตตัวที่ประเทศยมากันหมดเออผมว่า โจเนี่ยโจเ น, นส่งโดนส่งโรงพยาบาลแต่ผมเนี่ยคือยังยังอยู่ที่กระเทิอยู่คือช็อกอยู่พี่ว่าอ้าวแล้วคุณจินที่เอารหัสมาบอกออผมให้ผมเปิดตู้แต่แล้วอยู่ๆทมใจมาเป็นอย่างนี้มผมถูกล็อกตัวแล้วเป็นเป็นผู้ต้องหาที่หนึ่งคืออย่างแล้วตอนนั้นคือวเขายังไม่ได้เขา ยังไม่ได้เก็บศพไปนะพี่ยังไม่ได้เจ็บศพไปศพก็อยู่ที่ขาผมอะพี่หมายถึงว่าเราฟื้นขึ้นมาอีกทีหนึ่งคือศพก็ยังยังหลงอยู่ผมรู้สึกตัวขึ้นมาครับเขายังไม่ทําอะไรครับคือศพเนี่ยของขุนชิมเนี่ยค้างที่ขาผมครับแล้วตัวสัดขุนชิมเน่ยอยู่ที่ตัวผมออตอนแรกเขาตั้งประเด็นไว้ว่าเป็นอุบัติเหตุอื นะครับเป็นอุบัติเหตุจากการทำงานครับไอโจนี่คือว่าโดงพ่อหาคือว่าขับฟล ร, ร๊กลิสปัดคุงคิมอมืเออสวยมากนะก็พส่งส่งโรงพรายาบาลแลใช่ไหครับแพทย์เขาชันสูตรมาว่าคุงคิมตายมาแล้วสี่สิบแดชั่วโมงโอ้โหออคือว่าตายวันที่โหลดตู้โหลดสินค้าจากที่ น, นู่นครับครับคือ คือผมยังจําวันนี้คือยังขนลุกอยู่เลยแล้วคันคาถามมันตามมาเยอะแยะมากมายใช่ใช่ใช่ถูกต้องมันเกิดอะไรขึ้นเขาเพ่งเล็งผมก่อนเลยคือคำถามแรกคือว่าคุณเปิดตู้ได้ยังไงออคือมีสองมีสองคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่จะเป็นพยานให้ผมได้ออืก็คือโจเพราะผมเนี่ยเป็นคนเปิดตู้ตอนในตู้จอห์นปิด จับภาพมาเลยชัดๆเลยว่าผ ม, มเป็นคนเปิดตู้สายโจโจเนี่ยขับพวกรีบแต่ว่าไอ้โจเนี่ยให้การอะไรไม่ได้พี่คือโจเป็นบ้าเลยพี่หูสติสตางไปหมดเลยเหรอเพราะว่ามันขับรถชนกำแพงกำแพงทะลุเลยพี่รถพอกรีบานแล้วคือคราวนี้ตำรวจเนี่ยเขาเลย <c oughs> ของไทยนะครับเขาเลยสั่งสั่งนะอน่าจะเป็นอุบัติเหตุที่มาจากประเทศเกาหลีครับครับแต่ว่าผมเนี่ยพออผมฟื้นฟืนสติอจะตังค์อะไรได้แล้วที่ผมว่ามันผมมาคิดคิดย้อนหลังดูว่าอผมมาคุยจับผู้จัดการสาขาของประเทศไทยครับเขาเรียกผมเข้าไปออฟฟิศใหญ่ที่ตีลุงนี่แหลครับว่าเหตุการณ์แบบนี้เหตุการณ์เนี้ย คุณเปิดตู้ได้ไงก็สอบผมนะครับว่าผมเปิดตู้ได้ไงคุณรู้รหัสได้ยังไงผมเล้เอกใจพี่ี่จําโทรศัพท์ได้ไหมครับจําได้ครับครูที่คุณชิมบอกว่าเนี่ยทุกอย่างอยู่ใ เ, <อ>เนี้ยอคือแล้วครเ้งนี่ยทางทางเจ้านายครับเขาเอาโทรศัพท์ของคุณชิมนมาเปิดออื จากการที่ว่าเราสัญนนชาษทางประเทศไทยสันนญญาษว่าคงเป็นอุทิเหตุใช่ไหมครับคดีพิกพี่มันยังการฆาตกรรมครับโอ้โหอ้โ ห, โ ห, โหสนุกตื่นเต้นเลยแล้วคุณคุณคุณกบเล่าแบบโอ้ยเอเอเอเออต่อต่อเออคือคือว่าพี่ต้องย้อนกลับไปที่ผมเล่ามา หรือว่าที่จำที่ว่าคุณคิมบอกที่ที่ชอยแนะนำผมเน<ม>ี่ยว่าคนนี้ภรรยาเขาคนนี้เพื่อนเขาอะไรเขาเนี่ยชื่อเขา้ก็มีปัญหากับทางภรรยาเขาหรือว่าเขาคือที่มาประเทศไท ย, ยแล้วคนนี้มันหรือว่าสินค้ามันยอดขายมันมันตกต่ำมากทำให้คุณคิมเนี่ย ค่อนข้างจะส่งเงินไปที่นึอ้ะน้อยแล้วก็ประสบปัญหาทางเงิงนๆางเงินนะครับ ร, บรจวบเหมาะครับที่พรัญญาคุณคินมีมีชู้พี่มีชู้รัก mm hmm. คือว่าจับฉาครับ mm hmm. จับฉาให้ว่าคุณคินตายเพราะอุบัติเหตุ mm hmm. คือวันที่ จำได้นะครับที่ผมมอกว่าคุณคิมลงไปดูสินค้าเองที่เกาหลีครับที่ลังโหลดเข้าตู้เข้าตู้ครับครับครับคือคนโหลดเข้าตู้เนี่ยไอคนขับโฟลิสที่เกาหลีนะครับเขานั่นะครับเป็นขัาราชการคือนี่คือทางแล้วก็ตัดสินไปแล้วขอตางมาอเป็นพ้าราชการแล้วก็เป็นชู้แบบภรรยาเนี่ยเนี่ยของคุณคิมครับครับเอาคนนั้นน่ะหรอ ใช่ที่เขาเขาเขาจะที่นู่นเขาก็จะโหลดมันจะมีคนขับพถลิฟที่นี้นูนะครับแต่เราผมก็ไม่เห็นชาร์จหรอกแล้วคือว่าวันนั้นมันดึกแลครับผมก็เลยกลับบ้านก่อนไม่ได้อะไรต่อที่ว่าเช้ามาแล้วว่าต้องจนผิดมันมันผิดปกติครับอือชว่าฆาตกรรมนะเขาเขาชื่อว่าเงินประกันชีวิตคุณชิมครับอซึ่งเป็นจํานวนเงินเยอะมากครับออืที่ว่าได้ออื คือว่าหลักฐานเนี่ยคือว่าคุณชิมเนี่ยแต่เจ ء ใจครับแต่ระบบบันทึกเสียงนะครับอแล้วก็ในในในระหว่างนั้นเน่ยมันก็เป็นการสนทนากันระหว่างชิมกับชูของภรรยาเขาครับครับืบอว่าแต่ที่เจ้านายเขาบอกมา ค, คือว่าเป็นการคุยกยันแล้วก็คุณชิมเนี่ยเราจับได้ครับ จับได้ว่าภรรยาเนี่ยแอ บ, บเล่นชู้ก็เลยแล้วก็รู้ด้วยว่าเป็นคนนี้ก็เลยเกิดการมีจากเสียงกันที่แล้วทะเลาะกันอทางนั้นก็เลยทางนั้นแต่ทางนั้นนะ่ะเขาเตรียมตัวไปแหละเขาเตรียมไปแล้วครับว่าคือว่าเขาเนี่ยจะจะจะหาทางเนี่ยกำจัดกินชิมเองครับแต่โดยจะ ย, ยังไม่รู้ว่าจะทํายังไงเพื่อ ให้มันมันแนบเนียนนะครับก็เลยต้องจอนติดอะจับไม่ได้นะครับว่าตอนที่ห้าไอ้ตอนที่แทงไอ้ชนนะครับอว่ามันมันมันชนไงอืแต่คือว่าล่างคุงชินเนี่ยดิ้ติดมาเลยครับระหว่างทะเลสองทะเลดับวันนี้แทบจะเละไปเลยครับเพราะมันเป็นเป็นก่องไม้ที่แข็งมากครับค่ะกล่องก็คือ โอ้โหเฮ้ยมือเขายื่นโทรศัพท์ให้จะบอกกับเราเพราะเราเราสนิทกับเขาที่สุดคือทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในนั้นแล้วมันก็อยู่ในนั้นจริงๆคลิปเสียงที่เขาพูดคุยกับฆาตก ร, รโอ้โหเฮ้ยโท<ร> <laughs> ี่มันตอนแรกครับ <laughs> มันจะเขาจะตีเป็นอุบัติเหตุไปแล้วครับแกหาหลักฐานอะไรไม่ได้ครับแล้วพอดีจังหวัดผมมาโดนเข้าไปสอบเรื่องรหัสเปิดตู้ ผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าคุณชิมเนี่ยบอกผมเลยว่ า, วาทุกอย่างเลยนี้ออืมผมก็เลยบอกว่าก็เลยบอกเขาไปตามเนี่ยครับทางนายเจ้าหนายี่ยเขาก็เลยไปที่กองพิสูจน์หลักฐานเพื่ออสิบเอ็ดเจ็ดเขาจะเก็บ ไ, ไว้ที่นู่นก่อนนะครั บ, บก็กบถูกกแบบหลักฐานวัตถุพยานอะไรตวเนี้ยครับเขาเลยไปขอขอโทรศัพท์มาเว่ามันเป็นนภาษาเกาหลินี่เอือืมอืม แต่ก็มาฟังครับใครมาฟังแล้วแกก็บินชิงจับไปเลยครับบินครับประเทศไปประเทศเลยแล้วกานี่ไปยืนเรื่องถ้าสรุปว่าก็คือว่าจับจับจับได้ครับจับได้ดีกลับขาดขนาดนั้นเออเอครับแล้วก็คือว่าจับได้แล้วก็คือพยายามจกระโดนด้วยเรื่องสรู้ร่องคิดครับเพราะว่าอืมในเสียงสนทนาเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่คุณมคินางเดียวมันมีถึงสามเสียงครับครับเป็นเสียงวิ่หนึ่งเสียงอออืื ที่ว่าตอนแรกผมก็ไม่รู้มันเป็ น, เ, ป น, เ, ปนเสียงใครแต่ทางเจ้านายเขาบอกว่าเป็นเสียงของภรรยาคุณชินที่เป็นฝ่ายการเงินนี่น่้อคือภรรยาคุณชินเนี่ยเหตุการณ์มันทะเลาะกันครับแล้วคุณเหมือนคล้ายๆกับคุณชินเนี่ยจะเดินไปเอาเรื่องภรรยาแล้ว ทางนั้นเลยขับรถอัดคุณชิมเข้ามาเลย<อ>ที่เขารับสารภาพครับก<อ>็ ค, บ<อ>คือว่าเขายืนกันอยู่ฝั่งคนละฝั่งประตูครับ<อ>แล้วลลรถรถลิฟตเนี่ยจากของอยู่ตรงกลาง<อ>ใช่ไหมครับแล้วก็ทะเลาะกันอย่นะอางเงี้ยปึ๊บจังหวะที่ว่าคุณชินจะคงจะเดินมาจะมาเอาเรื่องเฮียาย์ยาทางนั้นก็เลยขับรถเนี่ยซึ่งมีมีผลิตไม้อยู่บนรถอยู่แล้วนะที่บเสื้อหนังยาเข้าอ่ะอัดจริงๆเข้าไปเลย ซึ่เป็นสิ่งที่มันคืไม่นใครยื่นโทรศัพท์แต่ทางตำรวจเขาไม่ได้มองว่าคุณคิมยื่นโทรศัพท์เนี่ยมันมันไม่ได้อยู่ในมือผมนะครับครับมันอยู่บนตัวผมอืหน้ากลัวตรงนี้นี่แหละทาอไทยอ่ะทางตำรวจในไทยอ่ะเขาเขาเขามองเป็นบอกว่าจังหวะที่ศพล้มอ่ะอาจจะ โทรศัพท์นีหยอยู่ที่ตัวศพแล้วจังหวะศพเพราะหัวศพอะอยู่ที่ขาผ ม, อ, มอาจจะกระเด็นเข้ามาโ ด, โดยอยู่บนตัวผมอม ะ, ะแล้วหายทช่นนั้นนะพี่ผมโจครับคุณจ โ, โจโจผู้พ่วงของโจนี่คือว่าโจไปอยู่โรงพาบาเสียนยา <c oughs> สองปีพี่เนา แล้วคือสภาพที่ผมไม่เห็นโจ ค, คือว่าวันวันที่ผมโทรมาแจ้งเรื่องแล้วพี่แบกโทรไปต่อแต่คือว่าพี่ผมอยู่งานศพโจคือแรกครับทาไมอ่ะวันแรกรทำไมอ่ะโจเสียชีวิตพี่ยังไงอ่ะโจเสียชีวิตผมก็ไม่ทราบสายเหตุหคือว่าเขาเขาต า, ายที่โรงพยาบาล <โฮ S 2> เนยสีนัำยางเรื่องงบลภาษาอะไรคือว่าเขาไม่หายหพี่ เขาจะเพออยู่ตลอดเวลาคือว่าเพ้อเพ้อแล้วเขาจะ ว, ว, วจะิ่งชนเงินแพงอะพี่ทางญาตถ้าบอกาอมาโจเสียชีวิตเนือ่องจากตกจากชั้นสองอะพี่นะครัี่ว่าแม่ขเขาลสัง่งตกจากชั้นสองคือว่าน่าจะวิ่งตกอพราว่าเพราะว่าโจเนี่ยบอกว่าโจเนี่ย คืออยู่ที่บ้านไม่ได้เขาต้องเอาไปอยู่โรงแรมเพราะอยู่ที่บ้านเนี่ยโจวิ่งชนชนเงินแพงอเดียวแนละ้วชนเงนแพงชนชนวิ่งหนีอะไรทั้งอื่างคิดว่าแล้วคืนเนี้ยที่มันเป็นคืนสวดศพคืนนิสารตอนแรกผมจะไม่เล่าพี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว๋ยวดียวดีย ว, ยวมายถึงหมาถึงว่าโจเพิ่งเสียเหรอเพิ่งเสียเมื่อสองวัน 2, ที่แล้วคนระับคือว่าผมส่งเรื่องมาเนี่ยผมตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าโจเสียผมเนี่ย คิดทบทวนอยู่นานแล้วว่าผมจะเล่าเรื่องนี้ดีไหมคือว่ามันเป็นเป็นสินน่งที่มันคาใจผมอยู่ครับโอ oh, <hey>. oh. ้โหโจเสียชีวิตวันที่ผมส่งเรื่องมาแล้วพี่บัตรติดต่อไปแล้ววันเนี้ตอนแรกผมจะไม่เล่าผมเพราะว่าผมก็กลัวกลัวมากพี่แต่ว่าน้องเนนนะครับน้องเนนที่เป็นน้องชายแท้ของโจเนอือ อ่าผมได้จุดทูบเมื่อเมื่อตอนเย็นนะผมผมเคลยร์ที่บ้แล้วแต่ผมออกไปพี่ผมขอเลื่อนได้ไหมเพราะว่าผมอยู่งานศพแต่ผมไม่ได้บอกว่างานศพใครออืผมก็เลยไปจุดทูบแล้วก็บอกว่าถ้าถ้าอยากให้เราเล่าก็นายก็นายออืช่วยทําอะไรให้เรารู้อ่ะคือแบบผมแต่อยู่น้องเมนะครับ น้องเมยน้องชายเ้าครับอยู่ดีเขาเดินมาบอกผมบอกว่าพี่จะทําอะไรก็ทําเลยพูดแค่นี้ครับแล้วเขาก็เดินไปอผมก็นี่ผมยังไม่ได้ถามเลยว่าน้องเมนพูดพูดแบบนี้พอไรครับเพราะว่าค่ะมันผมทราบว่าเดี๋ยวจะถามพวนี้ครับตอนที่เราวศไประชาภิญติคือว่าจะถามน้องเนนว่าทําไมน้องเมย์มาบอกผมแบบแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ผมตีเลงคิดว่าผมเขาจะคงจะตื่มาที่น้องเขาอะครับว่าแต่ว่าให้น้องเนย์มา ออโอ้โหผมผมเข้าใจแล้วว่าทําไมคุณกบเวลาเล่าแล้วเหมือนเหมือนมันกระอักกระอ่วนอยู่ในใจผมยังสั่งตังอยู่เล ย, เลยเอีอ่<ด>เฮ้ยมันมันพีคตรงนี้และตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดด้วยครับยังไม่ได้กลับบ้านนะหมายถึงว่าตอนตอนนี้อยู่ในสระสวดศพของโจ อ, อ๋อออกมั่งนอกพี่ออกมั่งนอกโอ้ออาต า, ตาหาแล้วแต่อยู่ในบริเวณนี้โทษอ้ยโอ้ผมหลุดโทษโทษ เฮ้ยผมไม่เคยฟังเรื่องเลีวอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยคุณกบผมเชื่อคุณว่ะผมยังบอกว่าคุณพี่บักคุณพี่บักผมไ ม, ไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องมันจะโคตรบังเอิญใช่ไอมความบังเอิญไม่มีบอโน่คือผมนึกนึกจ้นึกจ่ตัดสินใจว่าจะเล่าครับออคนที่อยู่ในเหตุการณ์ร่วงผมเสียชีวิตออื คือแล้วมันมีอเหตุการณ์อะไรไม่ดีคือหลังก็มีห้าตีตอนตีห้าหาหลังหลังมันส่วนใหญ่งถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรมานล้วจะเกิดปีแล้วพี่ผมผมผมพอเกิดอย่างนั้นผมละผมออกล้วออกไปครับแล้บริษัทก็บริษัทนี่คือว่าเลิกกิจการนะครับไม่ไม่ใช้ไม่เลิกิจการแล้วครับคือว่าเขาไม่ไม่ไม่คือเขาไม่ขายตรงแล้วที่ไม่ไม่ขายเลย โดยครับบริษัทเขาเองแล้วครับคือว่าจะเป็นบริษัทอื่นรับช่วงรับรับสินค้ามาขายไม่นําเข้าเองขายเองและไม่ไม่ครับคือว่าเขาเหตุการณ์นี้ทําให้เขายกทีมกับประเทศเลยโอ้ยตุ่มนั่งตัวสั่นเลยคุณผู้ฟังเฮ้ยเฮ้ยมันมันเป็นอะไรที่แบบที่ที่ที่เราไม่เช็คอือที่ผมบอกข้อมูลไว้ที่ผู้ใหญ่คือว่ากลับไปหมดเลยครับทุกอย่างครับ แต่ว่าตอนนี้แต่สินสินค้าของเขาเนี่ยมีขายอยู่เพาว่าแต่เป็นบริษัท ข, ขายของออนไลน์เนี่ยันเข้ามามผมยให้ไปแล้วเลยย้ายไปอยู่อยุทยาครับแล้วพอดีที่อยุทยาเนี่ยเขาเอาสิ น, น, นค้า น, นี่ น, น้ําท่วมมาพี่ทางน้ำท่วใหญ่แล้วครั้งนี้เขาจะมาขนสินค้ากลับก็จะมีเขาให้พนัก ง, งานนะครับมา มามาส่งสินคา้าแล้วผมก็เป็นหนึงห่งงานเพราเป็นพนักงานขับรคริบผมก็มาเขาโดยไม่รู้ครับว่าสินค้าที่เขาเอาไปเจ็บอะมันจะไปเจ็บที่ไหนอย่งางหงคือรถตู้มาประมาณห้าหคนพี่ผมก็ออกรถออกมาผมก็หลับมาเลยผมราะว่งที่งที่เพื่อนเพื่อนลูกตรงวี ห้งเดิมพี่โอ้ยจอยพี่ที่นั้นผมผมเดินตรงนั้นนะครับผมเดินผมเดินออกไปเลยครับประมาณกิโลนะครับจากห้างสินค้าถึงถนนบางอาตราครับหนึ่งกิโลผมเดินโดยเหมือนคนให้วิญญาณมันมันทำใจไม่ได้เลยออะคือว่าผมแค่ลงให้ลืมตาขึ้นมาเนี่ยผมเห็นบรรยากาศเก่าๆมาแล้วมันมันตึงตึงตึงตึเข้าหมดเลยแล้วผมช่วงเวลาผมเดินออกมาเนี่ยเพื่อนๆเรียก ผมไม่มีถือนีเอืออะไรเลยเหมือน ค, รร น, มนคนที่เดินแบบว่าผมไม่นับดูอะไรแล้วคเหมันจะบ้าเลยผมเดินออกมาเป็นกิโ ล, โลเพื่อมันดิมถนนบางนาตราดเพื่อมันนั่งอยู่งั้นคนเดียวผมไม่อยากเชื่อเลยว่ามันมันทําไมเนี่ยออคือผมหนีไปเป็นปีแล้วครับเหมือนมีในวันหนึ่งนียทําไมเขาต้องมาเก็บที่นี่ใช่ไหมทำไมคือว่า โอเคเคุณกบผมเข้าใจ oh. คือมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างแบบเฮ้ยมันต้องกลับไปที่นี่อ่ะ <Yeah. S 1> เฮ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะคุณกบเฮ้ยตรง <Yeah. S 1> ผมต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจย้อนหลังกับเพื่อนคุณด้วยนะอันนี้ผมว่าช่วยคือมาใชว่าเรื่องเนี้ยครับคือว่ามันมันไม่ใช่แรงอัฆาเลยค่บ ผมไม่ใช่แหละแต่ว่ามันเป็นจังหวัดที่ขาหขอหันมาเจอเสียงเสียงเบาใบคุณกบออืนะครับผงเป็นจังหวัดที่มันเป็นผลพวงมันผมไม่ใช่ผลพวงแนะบบการที่ว่าเขามีเรื่องบาดหนังอะไรคุณคิมครับผมคือว่าเขาสติแตกตอนเ้าหันมาเจอมากกว่าอ๋อใช่ใช่ใช่ผมว่ามันมันไม่ได้เป็นเพราะอ๋อคุณคิมมาทําอะไรหรอกแต่อย่าลืมว่าคุณผู้ฟังคนคนึ่งอ่ะกําลังทํางานอยู่แล้วเจอเจอศพอ่ะ แต่ก่อนที่เจอศพคือเจอเจ้าตัวก่อนที่จะไปเจอศพอะใครมันจะไปมีจิตใจอยู่ไหววะถูกป่ะถึงขนาดสติแตกขับรถโฟล์คลิฟต์ชนกำแพงทะลุอ่ะโอ้โหเฮ้ยเรื่องนี้มีผีมีผีแค่แต่เป็นเรื่ากลัวคญญาณเนี่ยคุณคินมาออกมาแค่เอารหัสแล้วก็มันบอกค่ามัดในโทรศัพท์แช่ั้นเองนะคือมันผมผมรู้ คิดทบทวนอย่าง้นานครับว่ารเรื่องนี้มันมีผีแห่เนี้ยอืออื อ, อหน้ากลัวไหมจัอะไรไหมแต่ว่าจับใจอะฮะมันพาใจอลยนีออ่คุณกบโอเคนะครหน้ากลัวจับใจมากเรื่องนี้นะครับแล้วก็เหมือนกับว่าคุณคินเขาสนิทกับเราอ่ะเราน่าจะเป็นที่พึ่งของเขาอะที่จะเอาความจริงตรงเนี้ยมาบอกทางตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ให้ความจริงมันกระจ่างโห เฮ้ยคุณกบผมเข้าใจคุณแล้วว่าทําไมโอโ้โหโทรมาเล่าในงานศพเพื่อนตัวเองอะ่ะเฮ้ยเรื่องนี้มันเกิดย้อนไปเมื่อสองปีที่แล้วถูกไหมประมาณไม่ใช่พี่ประมาณปีห้าสามประมาณปีห้าสามครับโอ้ยแล้ ว, วผมก็ขออนุ ญ, ญาตพ่อกับแม่พ่อกับแม่เขารู้นะว่าลูกที่ลู ก, กเป็นอย่างเนี้ยเพราะว่ามันเกิดจากเรื่องอะไร ผมก็เลยขออนุญาตเขาเหมือนในวันนี้ว่าผมขอเรื่องนี้ไปเล่าเลยไหมเผื่อว่ามันจะเป็นตาหอนกับใครบางคนที่ว่าที่กำลังคิดมีชู้หรือมีอะไรกันครับคือว่าผลผลที่ได้มันอาจจะไม่ความสุกแช่ชั่วครู่ที่ว่าคืออนี้ครับผมพูดผิดหรือถูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจคุณกบแล้วก็สองคนนั้นคงได้รับโทษตามกฎหมายของเกาหลีกฎหมายที่นุนแรงนะฮะ แรงครับพี่พท่านประหารชีวิตเลยใช่หประหารชีวิตใช่ไหมครับผู้ชายครับสายชายแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ปหารไปหรือยังแต่ว่าเขาตัดสินมาแล้วรหารชีวิตครับยเนี่ยคุณผู้ฟังอยากจะบอกอย่างนี้ว่าเวลาคุณกบเล่าตั้งแต่ทีแรกผมนั่งดูคอมเมนต์อยู่นะบางคนใจร้อนอีกแล้วคือ ผมฟังเรื่องนี้เนี่ยผมผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรมันต้องมีอะไรแล้วมันก็มีจริงๆมันมีเกินกว่าที่เราจะจินตนาการถึงด้วยซ้ำว่าโอ้โหเฮ้ยมันหักมุมมันพีคมันแบบสุดมันสุดแล้วสุดอีกสำหรับเรื่องเนี้ย โ, โหเฮ้ยคุณกบคุณไปเจออะไรมาเนี่ยเออทุกวันนี้ยังทางานเกีออก่ยวคลังอยู่ไหฮะ ไม่ไม่ไม่ใช่ไหมไม่ไม่ทำปกอเพื่อทําธุรกิจส่วนตัวเออเนอ่ว่าเริ่เลยตั้งแต่ที่ว่าผมเดินมาเจอว่ากลับมาต้องมาตักสินค้าเนี่ยกลับอยุธยาน่ะผมไม่เอาเลยผมพราะว่าถ้าคือว่าถ้าเกิดว่ามันผมเห็นผมไปอยู่ไม่เห็นพวคริปเนี่ยผมไม่ผมมามไปยังไงผมไม่เห็นพวกลิปหรือไป็นยัไงผมก็จะนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาทันทีโอ้ยผมว่านะ คือเชื่อว่าใครที่ได้ฟังเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นนะพอพูดผมว่าเหมือนที่คุณกบพูดอะถ้าเห็นรถโฟล์คลิฟต์จะนึกถึงเรื่องนี้เข้ามาในหัวเลยว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันเคยฟังเรื่องอย่างเงี้ยโอ้ยเอออย่างน้อยคุณกบผมจะบอกอย่างนี้ว่าอย่างน้อยคุณก็ได้ช่วยเจ้านายได้ช่วยเพื่อนให้เขาได้ ได้อ่ได้ความยุติธรรมนะครับเพราะว่าที่ทราบมาทางขั้นแรกครับลงว่าทางเกาหลีเขาลงว่าเป็นอุบัติเหตุเหมนครับแล้วครั้งนี้ทางภรรยาเพได้เงินประกันชีวิตเนี่ยจํานวนมว่าเยอะพอตัวปีมีเงินไทยก็ปิดร้านะครับเพราะว่าคุณคินทําประกันชีวิตไว้แล้วบริษัททําให้แล้วเขาเป็นระดับ ผู้บริหารนะครับซึ่งเยอะมากแล้วคุณชิมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นลูกกังพานแล้วตัแใจเป็นคนที่ขยันออืแล้วว่าทายาสายดีมากผมคือมาอยู่ประเทศไทยไม่เคยขึ้นมอเไซคก็ขึ้นมาผมเอาานะคุณชิม ไอ้คุณคิดห้คุณชิคุณกบนะครับเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วนะครับเราก็ต้องดำเนินชีวิตของเราต่อไปอย่างน้อยอย่างที่ผมบอกนะครับคุณกบก็ช่วยให้ความยุติธรรมกับเขาคนทำผิดก็ได้รับโทษไปตามกฎหมายครับนะทุกนี้ผมก็ทำบุญในแต่ภาพภาพมันไม่เคยลบเลวมาเจอภาพโจแบบมาซ้ำอีก ผมผมห็คงคิดว่ารวมหมายใจผมหมดนะครับคงจะทำายู่จำว่าจะคงจะหาไปเอาหน่าอย่างน้อยเราก็เราเจอเหตุการณ์นี้แล้วคุณกบครับเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ทำจิตใจสร้างจิตใจของเราให้แข็งแกร่งให้มีพลังงานดีๆกับตัวเราไปเรื่อยๆนะคุณกบนะบทุกคนคเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็ เผาเมื่อไหร่ครับเนี่ยคุณคุณคุณโจนะชาปนักขิตพรงนี่ครับพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะวันนี้คือสวดวันที่สามวันวันมากแล้วหลวงผมเลยติดทู้หอบ่อนะครับก็ได้แต่ภาวนานะให้ดวงวิญญาณของเขาไปสู่สุคตินะครับครับนะก็เห็นตอนเขาอยู่ว่าทรมานวิ่งชนกำแพงเนี่ยพี่ครับครับโอ้ย ฟังเรื่องนี้แล้วแบบโหเฮ้ยมันมันสุดจริงคุณผู้ฟังใครที่พลาดเรื่องนี้แนะนำฟังอีกรอบหนึงฮะต้องฟังใครที่ไม่มีสมาธิฟังตอนแรกต้องฟังเลยฮะเรื่องนี้โหเฮ้ยเออเอาได้คุณกบนั่นคงจะเป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่<ห> <laughs> ผมไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดดีสำหรับเรื่องนี้นะครับน่ากลัวมากตื่นเต้นมาก นะครับแล้วก็สลดหดหูกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากนะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านไปด้วยดีนะคุณกบนะครับผมนะคุณกบขอบพระคุณมากๆครับพรุ่งนี้ส่งเพื่อนครั้งสุดท้ายนะคุณกบนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe c h anel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ